เรื่องที่26ภาวนาภาวนาเป็นข้อปฏิบัติของคนชั้นไหนคนอย่างไรที่ควรภาวนาเวลานี้อาจมีบางคนเข้าใจไข้เขยอยู่คือว่าเข้าใจว่าการภาวนาเป็นเรื่องของคนแก่หรือของนัก บ, บวชซึ่งเป็นคนที่เจะสละโลกีแล้วอย่างนี้เป็นต้นนับว่าเป็นความเข้าใจผิดอย่างน่าเสียดาย แต่ผิดอย่างนี้ก็น่าเห็นใจคนผิดตีใครไม่ได้เป็นเรื่องภาวนาทมเหตุคือคำว่าภาวนานั่นเองเป็นคำเก่าแก่เหลือประมาณใช้กันมาตั้งเกือบสามพันกว่าปีแล้วไม่เปลี่ยนสักทีคำทางศาสนาก็อย่างนี้ทั้งนั้นแต่ละคำละคำอายุตั้งพันพันปีแล้วทีนี้สังคมทุกวันนี้ คนเรากลับนิยมเปลี่ยนกันบ่อยๆถ้าเป็นของก็เรียกว่าใช้ยังไม่ยับถ้าเป็นคนก็เรียกว่ารักกันยังไม่ทันรู้เรื่องเปลี่ยนแล้วคำพูดก็เหมือนกันบางคำพูดกันอยู่ดีๆก็มีคนเปลี่ยนจะได้ถูกใจคนสมัยใหม่ทีนี้ในสังคมแหล่งเดียวกันนี้คำทางศาสนาเกิดไม่เปลี่ยนเพราะถือเป็นคำศักดิ์สิทธิ์แล้ว คงเส้นคงวาอยู่ตามเดิมพอไม่เปลี่ยนคนที่ชอบเปลี่ยนก็เลยเห็นเป็นคนครือจะคัดทิ้งเสียให้ได้ยกตัวอย่างเช่นคำว่าภาวนานี่แหละให้มีอันพลิกแพลงคำพูดไปเรียกว่าการศึกษาการอบรมการสัมมนาการสมัมมนาการฟังวิปัสสนาการวิจัยการรีเสิร์ชและอะไรอะไรอีกแยะ เวลานี้คาที่กำลังได้รับความนิยมว่าทันสมัยที่สุดคือคำว่าสัมนาแต่ว่ากันที่แท้จริงแล้วทั้งหมดทั้งสิ้นนี้ก็คือความหมายของคำว่าภาวนานั่นเองไม่ชอบภาวนาแต่ชอบสัมนาทั้งทั้งที่ภาวนากับสัมนาก็พวกเดียวกันนั่นเองเข้าทํานองว่าไม่ชอบเนื้อหมูแต่ชอบเนื้อสุกรฟังดูเองก็แล้วกัน อยากทราบว่าภาวนาเหมาะสำหรับคนชั้นไหนไว้ไหนรูปไหนเราต้องย้อนกลับไปทูลถามพระพุทธองค์เสียก่อนว่าพระองค์ทรงสอนให้เราภาวนาทำไมทำเพื่ออะไรถ้าไม่ทำมันจะเกิดอะไรแล้วเราก็จะพบว่าความมุ่งหมายที่ตรงตัวในการภาวนาคือการกำจัดความง่อเคล่วออกจากใจ ทุกคนคงจะไม่มีใครขานหากข้าพเจ้าจะพูดว่าคนเรานี้มีความโง่ดองอยู่ในสันดานตั้งแต่ออกแต่อ้อนแล้วความโง่นี้เป็นเสนียดจันไรประจำชีวิตของเราร้ายกาดนักพระพุทธองค์ก็ทรงสอนอย่างนี้และทรงแนะวิธีกำจัดความโง่จากใจไว้ให้วิธีนั้นเรียกว่าภาวนาพูดฟังกันง่าย ภาวนาก็คือวิธีแก้งโง่นั่นเองพอทราบความมุ่งหมายอย่างนี้แล้วก็หมดสงสัยใช่ไหมที่ว่าภาวนาเป็นข้อปฏิบัติสําหรับคนชั้นไหนใครๆก็ตอบได้คือภาวนาจําเป็นสําหรับคนทุกคนที่ไม่อยากงโง่ที่ถามว่าถ้าเราไม่ภาวนาแล้วจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ดูเองคิดเอาเองก็ได้สมมุติว่าในห้องเรามันมืด มันมืดอยู่ก่อนแล้วถ้าเราไม่ติดไฟขึ้นเลยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่หายมืดคนเราถ้าไม่ภาวนาก็เหมือนกันโง่ก็ไม่มีเวลาหายแต่ทั้งนี้ต้องรักษาวิธีที่ถูกต้องไว้คือภาวนามีทั้งอย่างแท้ทั้งอย่างเก๊ไม่ใช่ดีเสมอไปเดกก่อนดูเหมือนจะยังไม่ได้คำแปลคำว่าภาวนาให้ คำว่าภาวนาภาวนาแปลว่าอบรมอบรมก็คือทำบ่อยๆเพื่อเปลี่ยนแปลงสภาพของจิตจากอย่างหนึ่งเป็นอีกอย่างหนึ่งความหมายของศัพท์เดิมจริงๆมีอย่างนี้แล้วการทำอะไรบ่อยๆก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่นั่นแหละดีบ่อยๆก็ได้ชั่วบ่อยๆก็ได้ข้าพเจ้าจึงได้บอกว่าภาวนาอย่างแท้ก็มีอย่างเก๋ก็มี บางคนคิดอยากให้คนที่ตนไม่ชอบมีอันล้มหายตายจากไปเสียคิดอยู่ทุกวี่ทุกวันคิดอย่างนี้บ่อยๆแล้วก็บอกว่าฉันภาวนาอยากให้มันตายเสียรู้แล้วรู้รอดบางคนถูกขโมยของไม่รู้ว่าใครก็นั่งภาวนาว่าพุทธังบาลายจะทำมังบาลายจะสังคังบาลายจะใครขโมยไปให้มันออกลูกเป็นลิงตายโหงตายหา่า แล้วแต่จะว่าไปบางคนไม่อย่างนั้นหลับหูหลับตาอยากเห็นหวยเห็นเบอร์ทำอย่างที่ว่าว่ามานี้ก็ภาวนาเหมือนกันแต่ภาวนาเก๊ขอโทษเถอะยิ่งภาวนามากก็ยิ่งมืดยิ่งทึบหนักเข้าทุกทีไม่เข้าหลักภาวนาตามที่พระพุทธเจ้าสอนผิดหมดเลยที่ต้องพูดกันไว้เสียก่อนบางท่านอาจคิดท้วงติงว่า ไหนข้าพเจ้าบอกว่าภาวนาเป็นวิธีแก้โง่ดูเหมือนบางคนยิ่งภาวนายิ่งโง่หนักเข้าทุกทีนั่นเป็นเพราะไปใช้ภาวนาเก๋เลยกลายเป็นนักสร้างวิมานไปในอากาศไปทีนี้โปรโดพิจารณาความหมายที่แท้จริงของการภาวนาตามแนวของพระพุทธศาสนาการภาวนานั้นในทางปฏิบัติจะต้องทำอย่างไรบ้างขอให้สะกดใจให้ดี จะอธิบายให้ฟังช้าๆและชัดๆของพันนี้อย่าเดาแหละดีอะไรๆสู้ค้นในพระคัมภีร์ไม่ได้ในคัมภีร์อัตถกถาอิติวุตกะซึ่งเป็นคัมภีร์อธิบายพระใจปิดกมีอายุเป็นพันปีแล้วท่านขยายความไว้ว่าการทำบุญด้วยการภาวนานั้นคือธรรมกิจเหล่านี้ 1. การศึกษาศิลปะวิชาการต่างๆ 2. การวิจัยงานที่ทำา 3. สมถะและ 4. วิปัสสนานี่แหละคืองานภาวนาพูดง่ายๆคือเรียนวิจัยสงบจิตพิจารณาความจริงเดี๋ยวจะอธิบายแต่ขอพูดหลักวิชาอีกนิดหนึ่งเมื่อก่อนท่านอาจเคยพบการแบ่งภาวนาออกเป็นสองอย่างคือสมถะภาวนา วิปัสนาภาวนาแต่มาวันนี้ข้าพเจ้ากลับแยกเป็น4อย่างคือเติมการศึกษากับการวิจัยเข้าไปด้วยใครผิดใครถูกที่จริงถูกทั้งสองอย่างคือหลักใหญ่แบ่งเป็นสองถ้าขยายแนวทางปฏิบัติก็ออกเป็น4และที่ข้าพเจ้าแยกเป็น4ถ้ารวมลงในประเภทของภาวนาก็ลงเป็นสองคล้ายๆกับภาษาไทยเราที่ว่า อยู่ด้วยกันสองต่อสองท่านผู้ฟังเข้าใจว่าอย่างไรที่ว่าสองต่อสองน่ะมันกี่คนกันแน่มันสองคนหรือสี่คนที่จริงก็สองคนเท่านั้นเองไม่ใช่สี่คนการปฏิบัติที่เรียกว่าภาวนาก็เหมือนกันหลักใหญ่ก็มีอยู่สองคือสมถะกับวิปัสสนานี้เป็นยอดมีอยู่สองยอดเมื่อมีสองยอด มันก็มีสองคนคือการศึกษาเล่าเรียนเป็นคนรากของสมถะการวิจัยงานเป็นคนรากของวิปัสสนาพูดอีกทีเรียนส่งไปสู่สมถะวิจัยส่งไปสู่วิปัสสนาที่ท่านแยกเป็นสองนั้นท่านชี้ให้ดูยอดถูกแล้วมีสองยอดวันนี้ข้าพเจ้าชี้ให้ดูทั้งยอดทั้งคนมันก็เลยเป็นสี่ เรื่องจำนวนมีเพียงเท่านี้ทีนี้จะขยายความต่อไป 1- การศึกษาขอให้ทุกท่านทุกคนกำหนดหลักการไว้ให้ดีคิดไว้เสมอว่าภาวนาทำไมภาวนาเพื่อจะทำให้จิตหายโง่การเรียนจึงเป็นชั้นต้นของภาวนาท่านบอกไว้ชัดเลยว่าเรียนศิลปะวิชาการต่างๆพูดย่อๆคือหาความรู้ใส่ตัว ความรู้เรื่องอะไรก็ได้ที่จะทำให้จิตหายโง่เมื่อสรุปแล้วความรู้ที่จาเป็นก็มีสองสาขาคือความรู้ทางโลกกับความรู้ทางธรรมควรเรียนไว้ทั้งสองอย่างมากข้างไหนน้อยข้างไหนตามใจแต่ที่สำคัญเราต้องมีไว้ทั้งสองอย่างความรู้ทางโลกเหมือนอาหารความรู้ทางธรรมเหมือนยากันบูด ท, ที่ใส่อาหารขาดไม่ได้ เพียงเท่านี้ท่านทั้งหลายจะเห็นได้แล้วว่าภาวนาเป็นสิ่งจำเป็นแก่ชีวิตของคนของเราทุกคนหลงโยนไปให้คนแก่เสียแทบตายที่ไหนได้การศึกษาเล่าเรียนก็จาเป็นใช่ไหมล่ะโตออกจากโรงเรียนแล้วก็อย่าหยุดเรียนเมื่ อ, อยังเด็กห้องเรียนของเราอยู่ในโรงเรียนแต่โตแล้วโลกทั้งโลกนี่แหละคือห้องเรียนดูเอา โลกนี้เต็มไปด้วยบทเรียน 2. การวิจัยงานหมายถึงการหัดทำงานด้วยปัญญาคือรู้จักเลือกงานทำแต่ที่ดีที่มีประโยชน์และคิดอ่านหาวิธีทำให้ก้าวหน้ากว่าเดิมพูดง่ายๆคือทำงานด้วยความคิดด้วยปัญญาการคิดนึกตรองงานที่เราทำอยู่ประจำวันนี่แหละ เป็นเบื้องต้นที่จะไปสู่การใช้ปัญญาขั้นวิปัสนาคือหัดยกเลิกเพิกถอนการกระทำอะไรๆ อ, อย่างงมงายเสียทำด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่เอาแต่ใจตัวว่าเอาเองเข้าใจเอาเองไม่ถูก2 อ, อย่างที่ว่ามานี้เป็นต้นทางที่จะไปสู่ภาวนาชั้นยอดคือการศึกษาจะนำไปสู่สมถะการวิจัยจะนำไปสู่วิปัสนา แล้วก็เป็นงานในชีวิตประจำวันของเรานี่เองใช่หรือไม่ท่านที่ประสงค์จะเดินไปสู่ปลายทางก็ขอให้จำต้นทางไว้ให้ดีอย่าทำอะไรที่ตรงกันข้ามกับสองอย่างนี้เช่นอะไรอะไรไม่เรียนไม่ถามไม่ฟังไม่อ่านนึกจะตรัสรู้เอาเองหรือทำอะไรอะไรไม่มีเหตุผลขาดการวิจัยด้วยสติปัญญาคิดว่ามีอารมณ์ดีแล้ว จะให้อาจารย์จูงไปเข้านิพพานเองไม่ต้องดูด้วยว่าอาจารย์ที่จะให้จูงนั้นจะจูงเราไปไหนคนที่ขึ้นต้นศึกษาและวิจัยแล้วมักจะเป็นคนเริ่มสงบคือเห็นได้ชัดคือสงบปากไม่เป็นคนขี้ติค่อนขอดคนอื่นแต่เป็นคนทำงานที่เป็นประโยชน์และไม่มีทิฏฐิมานะทำไปรู้ว่าผิดก็เลิกได้ ผู้วิจัยงานเป็นอย่างนี้ทั้งนั้นทีนี้จะพูดถึงสมถะกับวิปัสสนาก่อนอื่นอย่าพิ่งคิดว่าสมถะวิปัสสนาสูงเกินตัวเพราะสมถะวิปัสสนาไม่ใช่ของสูงไม่ใช่ของต่ำสูงเกินไปก็ไม่ใช่สมถะวิปัสสนาต่ำเกินไปก็ไม่ใช่แล้วขนาดไหนล่ะสมถะวิปัสสนาต่ำกว่าตาต่ำกว่าหู ต่ำกว่าปากสมถาวิปัสนาสูงกว่าเท้าสูงกว่าหัวเขา่าสูงกว่าท้องลองไล่ดูก็แล้วกันนั่งตัวตรงๆแล้วพับคอท่านเองลงให้ปลายคางแตะกระแผ่นอกแล้วเอาฝ่ามือท่านเองทาบต่อจากปลายคางลงไปบริเวณทำสมถาวิปัสนาอยู่แค่นั้นแหละไม่สูงไม่ต่ำพอดีพดี สมถะคือการทำความสงบทำใจตัวเองให้สงบสงบแล้วได้อะไรขอไม่พูดเวลาจวนจะหมดแล้วคิดดูเองก็แล้วกันสงบตรงกันข้ามกับวุ่นวายดีอย่างไรใครๆก็ทราบการทำใจให้หายวุ่นวายเรียกว่าสมถะวิธีทำแบ่งเป็นสามตอนเริ่มด้วยกายกรรม คือตัดเรื่องวุ่นวายทางร่างกายเสียก่อนปากมันวุ่นวายตามันวุ่นวายหูมันวุ่นวายมือมันวุ่นวายเท้ามันวุ่นวายตัดเสียก่อนตัดแค่ที่มันวุ่นวายนะไม่ใช่ไม่ทำงานต้องทำแต่ทำที่มันไม่วุ่นวายนี่พูดไว้ก่อนประเดี๋ยวใครขี้เกียจไปนอนหลับคนฟรีฟแล้วจะอ้างว่าทำสมรรถะ ทางกายกรรมนั้นทำงานยังเดินมาเดินไปแต่มาก็ไม่วุ่นวายไปก็ไม่วุ่นวายสงบสงบต่อไปสมถะวจีกรรมคือสงบทางวาจากายไม่วุ่นวายไปไหนแล้วนั่งตะบันหมากนัดยาอยู่กับบ้านแต่ว่าปากบนว่าด่าทอนินทาว่าร้ายวันอย่างค่ําก็ไม่ถูก หรือจะเข้าห้องเขียนหนังสือเขียนบทความใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นซึ่งคิดว่าเป็นแขนงหนึ่งของวาจาก็ไม่ถูกต้องงดการวุ่นวายทางปากทำปากของตัวเองให้เป็นปากสมถะเสียกอ่อนเสร็จแล้วใจจึงจะเป็นสมถะบางคนคุมใจให้เป็นสมถะอย่างเดียวแต่ไม่ทำกายสมถะวาจาสมถะเสร็จแล้วแย่ yeah. ลูกหลานก็แปลกใจว่าเอ๊ะคุณยายเรานี่ว่าที่จริงก็เข้าวัดภาวนาทุกวันพระแต่ทำไมใครเข้าหน้าไม่ติดก็ไม่รู้นี่เรื่องสมถะไม่ครบตามแนวทางของท่านบางคนพอหัดทําสมถะเข้าหน่อยก็เริ่มโจมตีคนอื่นโจมตีสำนักอื่นคนดีๆพอไปนั่งภาวนาเข้าหน่อยเลยกลายเป็นคนปากจัดไปได้ นี่ก็สมถะไม่ครบวิธีฝึกทางสมถะขั้นตน้นให้ฝึกสงบกายเสียก่อนให้ได้กายสมถะเด็กๆ เ, เล็กๆทำได้ทั้งนั้นวิ่งพลานนัดไหนนัดนั้นการทัศนาจรที่โน่นทัศนาจรที่นี่เต้นรำที่นั่นที่นี่ท้าต่อยท้าตีเขาที่นั่นที่นี่พักเสียบ้างให้ได้สมถะกายแล้วก็ทำสมถะปาก ที่ว่าสมะถะปากก็ทั้งปากคนปากกาเที่ยวว่าร้ายนินทาใส่ความหรือบ่นว่าไม่มีเรื่องราวก็สงบไว้บ้างสุดท้ายก็หัดสงบใจใจสมะถะอย่าไปคิดฟุ้งซ่านวุ่นวายนักหัดอยู่ว่างๆเสียบ้างแต่ระวังอย่าให้ความเจ็ดคล้านมันแทรกก็แล้วกันวิธีสุดท้ายคือวิปัสสนาเป็นสุดยอดของความสงบ คือใช้ปัญญาศึกษาความจริงเฉพาะอย่างยิ่งจริงในตัวเองไม่ใช่ไปหาแต่ความจริงในคนอื่นสิ่งอื่นจุดของวิปัสสนาคือหาจริงในตัวค้นดูสิว่าความจริงจริงๆในตัวเราคืออะไรผลของวิปัสสนาก็คือจะได้พบความจริงและจะได้ไม่หลงไหลกับของเทียมแห่งชีวิตคือชีวิตของคนเรามันมีมายาหุ้มอยู่หลายชั้น ทีแรกเห็นยิ้มหวานหวานเราติดหลงกับยิ้มหวานหวานเสียจนนอนไม่หลับแต่วิปั ส, สนาเข้าไปอีกทียิ้มนั้นเป็นเพียงมายาของริมฝีปากยิ้มจริงๆไม่มีถ้ามีจริงไอ้ที่เขายิ้มไว้เมื่อวันก่อนปีก่อนก็ยังอยู่สิถ้าเช่นนั้นริมฝีปากแดงๆจิ้มลิ้มนั้นเป็นของจริงหรือก็ไม่จริงอีกไล่เข้าไปไล่หาความจริง ไล่เข้านะไม่ใช่ไล่ออกคือไล่เข้ามาหาตัวไปสุดที่ใจของตัวยิ่งพบจริงเห็นจริงในตัวในใจมากเท่าไหร่ความหลงยิ่งจะลดลงน้อยลงนี่พูดฟังกันง่ายๆทีเล่นทีจริงสำหรับท่านที่ยังมองไม่เห็นว่าวิปัสสนามีประโยชน์อย่างไรส่วนท่านที่สนใจอยู่แล้วศึกษามากแล้ว ก็คงทราบเรื่องของวิปัสสนาเต็มที่อยู่แล้วไม่จำเป็นต้องแนะนำในที่นี้20กันยายน 2,504